มันตั้งใจอย่าเพิ่งไปทําอะไรกันป่ะเนมันไม่ใช่เวลาคุยคุยไปทำอย่างอื่นเพราะความที่เราไม่ค่อยทำอะไรเลยไม่ตั้งใจอย่า ง, งนี้เป็นอย่างนี้วิสาระตั้งใจหลวงพ่อปีก่อนไปให้กระดาษแผ่นเดียวมาดูก็ไปอ่านกันกนะครัม ก็ส่เไ ป, ต, ไปนะตั้งไว้บูชาคัผมก็เขียนสั้นๆเขียนควาหน้าตั้งใจเห็นติดตามด้วยตั้งใจแล้วก็คิดพูดทำคือวิธีแก้กัน ด, ดีที่สุดขอนที่เรามีความตั้งใจในเะบืบ้องต้น ชีวิตเราเป็นคำว่าตั้งใจคือใจมันไม่ตั้งใจมันไม่ตรงใจมันไม่เที่ยงใจมันกดแกงมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนคนเราเซไปเซมาเนี่ยตั้งไม่ได้เหมือนขวดสารพัดของเป็นจิตของเราใจของเราเหมือนกันถ้ามันไม่ตั้งมันมันไม่มั่นคง มันก็วันไหวไปตามสัญญาอารมณ์มันกระทบปฏิฆะศัพท์มัเกิดเวทนามีความรู้สึกรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆก็ไม่ทราบความแค่นี้แล้มันวิธีจัดการคือพุทธเจ้าอง์รอนจะลืมว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาคนมีปัญญาแต่ใครไม่มีปัญญาคิดไม่ได้เมื่อคิดไม่ได้เราก็เป็นอค่นี้พูดแล้วพูดเป็นปีเป็นชาติ วันหนึ่งสองรอบสามรอบสี 4, รอบก็พูดชวนเนี่ยเทศกับเทศทั้งคืนฟังกันทั้งคืนถามาฟังแล้วได้อะไรพอสักสองสามประโยคก็ยังดีเดี๋ยวนี้ทำไมเราตั้งใจก่อนคือตั้งใจก็คือตั้งสตินั่นแหละทำอะไรให้มันมีมสติก่อนค่อยทำจะไปทำโดยการปราศจากสติเมื่อมีมสติแล้วจะคิด มันก็รู้ตัวจะพูดมันก็รู้ตัวจะทําก็รู้ตัวนี่คือการปฏิบัติธรรมะนี่คืารปฏิบัติทีนี้ถ้าคุณจะไปอยู่ปัึจษาความคิดการพูดการกระทามันกรรมจะเป็นที่ตามมากรรมก็คือการกระทําไม่ใช่สิ่งที่มันเลวร้วายสิ่งที่น่ากลัวแต่ที่เราเข้าใจเมื่อมันไม่เข้าใจมันก็จะไปแก่ทีนี้แก่กรรม วัดนั้นก็ประกาศวัดนี้ก็ประกาศประกาศแก้กรรมแก้โดยวิธีสดะเพราะจ์สร ะ, สระกันบอหนามาปักน้งมนสารพัดวิธีเพื่อไปแก้กรรมก็ไม่รู้ว่าพระที่ทำมันเข้าใจว่ากรรมมันคืออะไรแก้กันยังไงเป็นดั่งที่สามเดียมแล้วก็บอกสระเพราะห์สระกรรมก็สอนกันไปทำกันไปพวกเราก็ชอบแก้กรรมนี่ยชอบแต่แก้คนคิดตัวเองนะ่ไม่ทา แก่กับผู้ตัวเองไม่ทําแก้การกระทําตัวเองแล้วมันจะไปแก้กรรมได้อย่างไรเนี่ยคือบอกมนุษย์มีปัญญานือมีปัญญาเพราะนขัดษาสติทำไม่ตั้งใจจิตไม่มีสติมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยไปสุดท้ายวัดอันดีก่แหกันไปวัดดีแก่แหกันไปหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อแก่แหกันไปท่านดีจริงแต่เป็นเรื่องของท่าน ท่านเอาของดีมาให้เราไม่ได้ของดีเป็นของท่านความไม่ดีก็เป็นของท่านไปเอาของท่านไม่ได้เป็นสะบัดของเราไม่ได้แต่นี่นเราไม่ทําเองเราไม่คิดเองไม่พูดเอ ง, ไ ม, เองไม่ทําเองไม่จะไปหาของดีมาจากไหนของดีอยู่ในตัวเราเพราะนั้นถ้าเราจัดการตัวเราเองได้ต้มต้นจากจากการความคิดนี่แหละ มันพรงุงมันแต่งมันหาเรื่องมันเป็นสังขารอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าเราตั้งใจตั้งใจเสร็จแล้วเขาคิดจัดการหรือความคิดคาพูดการการะทําถ้าเรานั่งเมื่อไหร่มันก็จัดการได้ทันทีหมายความาตอนนี้จัดการคำพูดได้ทันทีคือไม่ต้องไปพูดอะไรแล้วนี่คือจัดการนี่คือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมประโยชน์การนั่งสมาธิถ้าใครยังไม่รู้ประโยชน์คือเนี่ยคือประโยชน์เราไม่พูด กายกรรมวจีกรรมมันก็ไม่มีละก็ตัดไปละหนึ่งกรรมกายกรร ม, มกรรมมโนกรรมกายกรรมคำทางกายมันก็ตัดไปแล้ะเหลืออย่างเดียวคือมโนกรรมคือใจจัการน้วใจคือวิธีคิดคิดยังไงให้ตัวเองสบายคิดตัวเองตัวเองไม่สบายพูดง่ายคือคิดยังไงตัวเองมีความสุขเองมีความทุกข์ ก็แค่นี้เองแต่ในทุกนาที่เราคิดอยู่ว่ามันเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็ให้มีสติว่าความสุขความทุก ข, ข์ขขเกิดจากเราสร้างขึ้นมาเองนะมันไม่มีใครสร้างตัวเองมาเกิดจากเรปรุงขึ้นมันก็นมาเองเพราะนั้นเราก็คิดได้นะี่คือปรุงได้ปรุงให้สบายก็ได้ไม่สบายก็ได้เหมือนก้บลาอาหารข้าวปลอาหารที่เรากินได้เพราะอะไรเพราะว่ามันพอดี มันเข็มมากไปกินได้ไหมไม่ได้เผ็ดมากไปไไเกนปินไม่ได้จืดเกินไปก็กินไม่ได้เพราอนไม่พอดี่็แสดงว่าอยู่ที่เราปรงุงถามว่าเราป ร, งรุปรงได้ปรุงได้คนอื่นปรุงให้เราไม่ได้นะเพราะนั้นความคิดของเราเราปรงุงเราแต่งเราคิดเองได้แต่ เ, เพราะ เ, าเราไม่มีสติเรามไม่ตั้งใจนั่นเองแล้วพอที่เราไม่ตั้งใจนะสารพัดปนนัญหาจะตามมา พูรู้จักคิดจะพูดไปคิดอะไรก็พูดไปทำแล้วก็ทำไปตามความคิดเพราะนั้นตัวแรกที่พรุทธเจ้าจัดการคือสัมมาทิฏฐินี่แหละความคิดของตัวเองแต่พูดภาษาเราง่ายๆก็จัดการเรื่องหัวตัวเองนี่แหละส่วนหัวนี่ส่วนสําคัญที่สุดทีเป็นรูปธรรมนี่หมายถึงรูปธรรมตัวสําคัญที่สุดคือส่วนนี้ลองพิจารณาดูว่าตาปากจมูกหูเห็นไหม ตัวมันมาหารเรื่องมันไม่อยู่กับตัวตาไม่อยู่กับแต่แตมไม่อยู่กับตัวมันไปออกไปข้างนอกโห่ก็เหมือนกันแนบเด็กก็โหวดแท้ๆมันไปข้างนอกจะโมกปาก่าดีๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาอยู่กับตา ม, มาดูว่าการทํางานของแต่ละตัวมันเป็นยังไงมันก็เครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งหลายเหล่ที่เรามีอยู่เหมือนเครื่งจักรกลมืนอนุัตถุกำลองตาหูจมกูกร่างกายใจอันนี้ว่าอายตนะคือตัวเชื่อมตัวต่อพอตาเห็นรูปแ้มันเกิดอะไรขึ้นพราเคยพิจารณาไม่คก็เพราะว่าเราไม่ได้คิดไงตาเห็นรูปเป็นยังไงคกอความจำจำแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบ เฉยๆนี่คืออารมณ์แปลว่าสิ่งที่รับมาเมื่ออารมณ์มากระทบปฏิคิริย์แล้ววางสิ่งนั้นไม่ได้วางสิ่งที่เราชอบไม่ได้วางสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ได้พราะมันไม่เฉยๆคือมันไม่เป็นกลางนี่คือความลำบากตามมาทุกขะคือลำบากตามมาแล้วชอบรู้สึกมันจะดีแต่ถ้าเกิดไม่ชอบขึ้นมาลำบากละ นันก็เรียกว่าอารมณ์ก็สิ่งที่รับมาแล้วเราจัดการกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะไม่มีสติคือตัวแรกเลยเพราะนั้นเขาตั้งใจเป็นแล้วที่มันชอบเพราะอะไรมันไม่ชอบเพราะอะไรก็ยกขึ้นมาพิจารณามันถึงจะเกิดปัญญามันถึงจะเข้เาใจมันถึงจะเกิดการเรียนรู้งั้นก็เห็นสักแต่ว่าเห็นสุดท้าย แล้วก็ลําบากข้อนี้ล่ะลำบากข้อหูแลำบกข้อตา้ำบากข้อปากนี่คือส่วนหัวนะแค่ส่วนหอส่วนเดียวในปากนี่นก็เหมือนกันตัวสื่อตัวสารตัวทําให้เข้าใจไม่เข้าใจเพราะนั้นศีลเป็นตัวกํากับมันเป็นตัวกําจัดเป็นตัวจํากัดมันเป็นกรอบระเบียบ ก, กฎกติกาให้จิติเสิง่งเหล่านี่ได้ก็คือรัศกราสาวาจานะนัน้มันมีประโยชน์มหาศาลมีค่ามาก สำหรับคสนสำหรับคนไม่มีสินนั่นก็ตองกันข้ามตัวเองเดือดี่ยวนคนอื่นโดดอดีอ่อวคนทีม่มีสินคือรักษากายตัวเองไม่ได้รักษาตัวเองวาจาตัวเองไม่ได้คือรักษาปากไม่ได้าปากจะบานหัวปากมันมีหูรูปจะพูดอะไรก็พูดไปเอาไปที่จัตติพูดไปแล้วก็เท่ากระทางคนอื่นคนอื่นเดือดี่ยวไปพูดอะไอุปมารปรปไมเปี่ยวเขาเป็นสัตว์เดชฌานกลายื น, น, นไอหายเงี้ย เพราเป็นคนอยู่นีู้มาประมัยตอนนี้นถ้าคนมีสติคนมีปัญญาเข า, าก็จะถามกลับเพื่อถามตัวเองถามใจว่าที่หาที่เหี้ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากใจใจของใครใจของคนพูดอก็คนพูดอะไรเป็นหาเป็นเหี้ยมั็นวัวเป็นควายก็วัวควายออกจแ ก, แกของคนนั้นมันก็จบละเราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขาแล้วเพราะเขาเป็นควายปลดลูกของคนควายถ้าเราไปกดธเขาด้วยแสดงว่าควายกับควาย เขาเข้าใจภาษาใขาพูดภาษาเดียวกันเขาบอกเป็นเพื่เราก็โกรธก็แสดงว่าเราอยอมรับว่าเราเป็นเพื่อสติปัญญาเป็นอย่างนี้คนที่มีสติคนที่มีปัญญามันแตกต่างกันอย่างนี้มันแตกต่างที่วิธีคิดวิธีพูดวิธีทํำถ้าเราไม่เข้าใจสิเหล่านี้มันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้โลกก็จะเป็นอยู่อย่างี้อยู่ไปวันวันหายใจไปวันวันยืนเดินนั่งนอน ที่สำคัญคือไม่มีสติกำกับยืนก็ยืนไปอย่างนั้นเดินก็เดินไปอย่างนั้นนั่งก็นั่งไปอย่างนั้นออส่วนนอนไม่ต้องพูดถึงเลยเห็นไหมอริบทที่มันไม่เกิดประโยชน์มากที่สุดคือนอนแต่ที่สำคัญคืออริยมร์ที่เรานอนเป็นอริบทของคนตายไม่ใช่คนเป็นตายหมดเลยความดีก็ไม่เกิดความชั่วก็ไม่เกิด แกอยู่้องนอนครูบาอาจารย์นะว่าจะไปเห็นแก่นอนมากนะักคนนอนเมนื่อไหร่ครับนั่นคือการปราศจากสติไม่มีสตินอนต่อให้นอนอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงเรื่องการนอนเรามีเวลานอนนอนยาวด้วยพอนอนเสร็จ ก, ก็จะมีพระประเทศให้ฟังไปสวดให้ฟังได้ประโยชน์ไหมตอนนั้นในวันพระเทศมนวันพระสวด อันนี้มนุ์ประสวตรสีรูปมนุ์ประเทศหนึ่งรูปภาคประเทศไปนะโมว่ากันไปพระสวดกับกุศลธรรมมากุศลธรรมมาบอกว่าอันนี้เป็นกุศลนะนี่เป็นอกุศลนะอันนี้เป็นกลางๆนะแล้วดายประโยชน์ไหมตอนนี้เป็นประโยชน์ยืนก็เป็นประโยชน์นั่งเป็นประโยชน์นให้มีสติครับประโยชน์แต่ยืนมีประโยชน์ไม่ตางอะไรกับตาย เดินเดินอยู่ไม่มีสติก็ไม่ตาม่างอะไรคนตายนั่งอยู่ไม่มีสติก็ต่างกันมันก็ไม่ต่างกันเลยแล้วตัวแปรตัวสําคัญก็คือสติท่านจรงเรียกสิ่งนี้ว่าภาวนาเราก็เข้าใจภาวนากัารั่งนองหูลับตากานั่งสมาธิก็จะเรียกว่าภาวนามันไม่ใช่ภาวนาก็แปลว่าทำให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นให้มันเจริญ ให้มันดีกว่าเก่าให้มันมากกว่าเก่าไม่ให้มันเท่าเดิมถ้ามันเท่าเดิมเหมือนส้ตุ้งเส้นตังเราถามว่ามีสตังไหมมีถามว่ามันเพิ่มหรือมันลดนั่นตัวนี้เป็นตัวแปรถ้า stores, ส <ış> ้นตังมันลดค่ามันก็น้อยลงส้นตังมันเพิ่มขึ้นมักกับค่ามันก็เพิ่มขึ้นจิตของเราเนี่ก็เหมือนกันค่าของจิตเราหนเหมือนกันในขณะใดทั้งตามที่จิตมันเป็นอกุศลมันขึ้นลบ มันก็คือมันหมดไปนะในขณะดาษกันรที่เจอแล้วเป็นกุศลมันเป็นบวกเพรนดีปันก็เพิ่มขึ้นเหมือนสตังค์เราคุณค่าความดีของเรามันก็เพิ่มขึ้นมากมขึ้ น, น, นส่วนนี้จะมากน้อยขนาดแล้วแต่เราแล้วแต่บุคคลแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยสตังค์มันจะมีแต่ใช้อย่างเดียวมันก็หมดไปหมดไปหมดไปพอสตังค์หมดแล้วจะใช้อะไรต่อเนื่องเพราะร่างกายขอเรามอยู่พยายามทําให้มันเป็นประโยชน์ ทำมันให้เป็คุณค่ามันเพิ่มประโยชน์ให้กับตัวเองให้มากขึ้นวันหนึ่งมันใช้ไม่ได้แล้วขึ้นหมดประโยชน์แล้วหมดจริงๆเมื่อกายกับใจมันไม่อยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าในขณะที่เราเป็นอยู่เราแ ย, ยกไม่ได้เลยว่าอันนี้กายอันนี้ใจแ ย, ยกไม่ได้เพราะอไม่ภ า, า, า, าวนาเพราะไม่ภาวนาคืไม่ทําให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นคือไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็เท่าเดิมสุดท้ายขาดทุน ขาดทุนยังไงสภาวะจิตสภาพจิตที่ออกจากร่างแล้วออกจากกายนี้แล้วกายนี้ก็ไม่มีค่าเลยเลยกายเป็นอของเน่าของเหม็นไม่มีใครอยากได้ไม่แต่คนรังเกียจเข า, ขาออก็เอาไปเผาเขาาไปฝังมันอยู่ไม่ได้มันเน่ามันเหม็นแต่ตจ น, นจิตมันไม่ได้ตายแล้วมันไปไหนทันี้มันจะไปไหนต่อตัวนี้จิตมันไม่เคยตาย จิตมันเป็นนักเดินทางมันก็เคยหยุดตอนนี้มันก็เดินทางแล้วมันจะเดินไปไหนถึงเดินโดยไม่มีทิศทางไม่มีอะไรกําหนดมีกรอบมีระเบียบแล้วมันจะไปไหนมันก็ไปตามภูมิภูมิคืออะไรคือชั้นชั้นคืไรชั้นของฉลาดของจิตจิตฉลาดมันก็ไปสูงถ้าจิตมันหนักมันก็ไปต่ํำเคยเปรียบเทียบไปฟังอยู่เสมอ พวเราลองอาพิจารณาจริงๆลองเอาไปคิดแล้วไปพิจารณาจริงมันเป็นอย่างนี้จริงไหมนะสินเป็นตัวทัธธานตัวบอกที่เราไหว้พระไปเนี่ยสมาทานสินไหว้พระก็คือเบื้องต้นนะ่ะท่านจิตใจใเราเป็นพระก่อนนะไม้เข้ากายกับใจเนะี่ยตอนนี้เอาใจเป็นพระก่อนนะก็บอกไหว้พระ แต่เป็นพระ ก, ก็คือใจเราเนื่องถึงคุณของผู้เจ้าพระทานผสมอยู่กับรัตนใจนี่คือศาสนาพิธีที่เราทำมาตั้อดชีวิตแต่เราก็ไม่คิดไปถึงไปถึงว่าพระพก็ว่าพระอรหังต์สมาพุทธทางธรรมสังฆามนังกระจายจบเลยไม่ได้คิดอะไดต่อไม่คิดเลยว่ามันมีค่ามีราคานั่นคือทําใจให้เป็นพระหลังจากนั้นสมาทานศีลพระก็ให้ศีลไปโยมไปรับไป พอแกวัดไปกเหมือนเดิมแล้วจะรับไปทำไมไม่มีประโยชน์อะไรเลยรับให้ไปพื้นานจริงไหมเราคิดได้โอาพื้นฐานของคนเป็นนุษย์เป็นอย่างนี้นะตัวศีลเนี่ยเป็นตัวชีว้วัดลองเรามาเทียบดูว่ามนุษย์เราไม่พูดถึงสัตว์ธรรมะไม่ใช่กับมนุษย์ใช่กับคนคนกับสัตว์มันต่างกันตรงไหน เราต่างกันตัวไหนนี่เหมือนกันหมดอ่ะโหตายจมูกเลี้ยกายใจกินอยู่กินเสพกามเหมือนกันหมดมันต่างกันตัวไหนมันต่างกันที่มื่อรู้ที่มันคนพัฒนาได้ทํำไมถึงมันพัฒนาได้เพราะมันสินเพราะนั้นความเป็นคนนึงก็ตัวแรกเป็นตัวชีวิตตัวแรกความเป็นคนคือสินห้านี่แหละตัวบอก มีครบบ้างไม่ครบบ้างรักษาได้บ้างไม่ได้ บ, บ้างนี่คือความเป็นคนมีเรื่องเป็นความเป็นคนนะนะเป็นได้แค่คนนะสินไี้ครอบแต่คนที่ศินสักตัวก็ไม่มีเลยอันนั้นคือต่ำกว่าคนนั่นแหละคือคำว่าสัตว์ช้ามาโวควายหาเงี่ยที่เราเรียกเข้ามาที่เป็นเพื่อนเขานั่นแหละเขาเข้าอยู่ดีไปเรียกเข้ามาเป็นเพื่อนไอ้เที้ยนนั่นหละ นั่นละเพื่อนคุณใจมาถึงจิตในขณะนั้นมันเป็นเฮียมันไม่มีสินสักตัวอันนั้นคือคำว่าต่ำต่ำกว่คนเลยนะเป็นคนไม่ได้อันตรายน่นและจิตมันจะไหลไปตามนั้นแหละเมื่อสินไม่มีสักตัวมันจะไหลไปตามนั้นนี่เราตัดออกไปเลยว่าสัตว์ลาานเลี้ยฉานทำอย่างเราไม่ได้คือมีสินไม่ได้เอาเป็นคนหน่อยเพราเป็นคนก็มีครบบ้างไม่ครบบ้าง รักษาได้บ้างขอมัง่งขออภร้าั่งก็สมาทานบ้างสักสองสามวันทีก็ยังดีอันนี้เรมมีสินละนี่คือคนแต่จะให้เป็นมากกว่านั้นคือสินห้าต้องครบเป็นมนุษย์นะทินนี่คืความเป็นมนุษย์เพราะถ้าอยากเป็นมนุษย์อย่างนี้ยกระดับของสินให้มีสินห้าที่รับไปเนี่ยเพราะนั้นวันมันึต้องทบทวนตัวเองว่า ไม่ว่าฝาไหนก็ต่างสินห้าคือพื้นฐานพระสงฆ์องเนใหรืออุปสบ์อุปจักาใครกันนี่ตัวตัวชี้วัดเลยว่าเราเป็นสัตว์เป็นคนเป็นมนุษย์พวกนี้วัดกันตรงนี้ไม่ใช่รูปร่างกายไม่ใช่รูปน้ำถ้าสินมีครบสินห้ามครบออกเป็นมนุษย์เขาเรียกติดกับมนุษย์เขาเป็นมนุษย์ได้ต้องนี่ยคือคนที่มีสินห้าบริบูรณ์เมเป็นมนุษย์พร้อมแล้ว มันก็เพราะที่เป็นพระเป็นผู้ประเสริฐนวะันนั้นบทเข้ามาเพิ่มีคํา น, นํานาวพระคำว่าเรียกว่านายไม่เรียกว่านางไม่เรียกานางสาวเรียกว่าพระทันทีนลเพราะศิลห้าสมณะพระสงฆ์นนเนี่ยมีศิลห้าเป็นพื้นฐานสมณะก็มีทศิลเจ็ดที่สำคัญก็ศีลห้านั่นแหละถ้าจริงเรียกว่าพระคือเป็นผู้ประเสริฐแล้วนะเพราะนั้นจากนี้ไปคิดก็ต้องคิดในเรื่อประเสริฐ พูดก็จะพูดในเรื่องประเสริฐทำก็ทำในเรื่องประเสริฐนี่คือพระถ้าความเป็นพระโดยสมมติคิดเหมือนเดิมคิดชั่วมาชั่วเหมือนเดิมคิดไม่ดีไม่ดีเหมือนเดิมพูดไม่ดีหยาบคายเหมือนเดิมก็เป็นได้แต่สมมติเท่นั้นะพระโดยสมมติเป็นพระทางใจไม่ได้จิตเป็นพระไม่ได้เป็นได้เฉพาะกายแต่ถ้าเลยไปก่า น, นั้นอีกที่ความรู้อสว่าดิ์เอาพระพุทธะใจเป็นที่ตัง้งคือมันคงในป ร, รารถนาใจ เระทบทวนตัวเองคือใจคือจิตฝึกจิ ต, ตอันนี้คือเรื่องของจิตล้วนๆก่อนยกระดับจากพระขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่จนปลายยอดอรหันตะคือหมดคือสิ้นคือพ้นจากสิ่งเหล่านี้จากสิ่งที่เราสมมติอรื ย, ยุนเหนือสมมติตอนนี้พวกเรายังใช้สมมติกันอยู่ไม่ว่าใครก็ตามแต่ยังมัหมดไม่พ้นก็ปเป็นเรื่องของสมมติตรงนั้นสุดท้ายเราติดสมมติ ลืมไปว่ามันสมมติเหมือนว่าสมมติว่าถูกหวยยังไม่ได้ถูกสมมติว่ามีรถเบนสมมติเราก็ติดสมมติมันสมมติว่าเราตอนนี้เราก็สุดท้ายล้วก็สมมติอะไรเป็นกลางของๆมันข้ามสมมติอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้หนึ่งคือตั้งใจนะจะได้เข้าใจจะได้เรียนรู้และนําปสูก่การปฏิบัติ แล้วก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมือ่อกายกับจิตมันแยกไปจากกันแล้วเราไม่ต้องเป็นห่วงเราเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าจิตใจสูงมันไปสูงแน่นหองส่วนถ้าเราเป็นสัตว์มันไปตามตามขนาดไหนขุดดินอยู่อยู่ใต้ดินหมดรูอยู่กินของเหน่าของเหม็นกินก็ไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งไม่ต้องเปรี้ยวหวานมันเค็มใส่อย่างพวกเรา ไม่ต้องแต่อะไรเลยอยากกินก็กินเดิมๆสุกๆอยากกินทรงไหนก็ไปหากินเอากินเสร็จแล้วก็นอนเราเราก็เสพกามมีลูกมีหลานก็ไม่ต้องมาเลี้ยงตัวได้นึ่ต ง, ต, งต่างคนต่างอยู่แต่คนต่างไปนีค่คสเดือดแสแต่มนุษย์ต่างเพราะนั้นเร า, า, เ, ราเราอย่าไปทําให้เหมือนกับพวกเขาเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนต้องให้เหนือกว่เขาในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิด คำพูดการกระทําที่กล่านําในเบื้องต้นนี่คือตัวแตกต่างถ้าเราจัดการความคิดตัวเองไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าบอกยกง่ายๆสมมติเรายกความทุกข์ขึ้นมาเราเคอคิดว่าติด ท, ทุกข์กันมันเพราะอะไรมันเป็นทุกข์ของกายหรือเป็นทุกข์ของใจแยกไม่ออกรู้แต่บนว่าทุกข์ติดทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปคิดไปปรุงไปแตง่งเราไม่หยุด หยุดตงหยุ ด, ด, ดแต่มมันก็ตามไปทำนั่นเนะพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามเกิดทสาสมาธิสมาธิแปลว่าจิตใจมันคงแล้วมันจะวางอารมณ์ได้มันจะมีใจเป็นกลางเมือม่อเป็นใจเป็นกลางมันจะเข้าใจทั้งสุขและทุกข์แต่ที่สำคัญคือมันจะไม่เอาทั้งสุขและทุกข์มาเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นจิตที่ท่านพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจึงไะบอกว่าพ้นทุกขน์นะไม่ได้บอกว่าพ้นสุข เดีย๋ยวที่เราเข้าใจเดีย๋ยวที่เราปรารถนาแต่เราปรารถนาความสุขแต่พุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ถ้าไปผู้กล่อมพ้นทุกข์นี่ตรงกันข้ามเราทําตรงกันข้ามกับพุทธเจ้าหมดทุกอย่างทุกวันเนี่ยเราทํากับสิ่งที่พระองค์ตรงกันข้ามมันจึงเป็นอย่างนี้ไงเพราะเราไม่ฟังก็ได้แต่สมาทานพุทธางสนางกระสานนี้ธรรมังสนางกรสักังนได้แค่สมาทานก็ได้แค่วาจาแต่มันไม่เข้าถึงใจ มันไม่เกิดสติมันไม่เกิดปัญญานี่ตัวสําคัญที่สุดในชีวิตปัจจาบันของเราเพราะฉะนั้นป่าเราทุกคนสมเรื่องแค่นี้แหละในชีวิตปัจจุบันเอาไปพิจารณาดูทีว่าความคิดมันสําคัญอย่างไรคําพูดสําคัญอย่างไรการกระทําสําคัญอย่างไรแค่นี้แหละถ้าใครสามารถที่จะควบคุมได้คํากับได้ดูแลได้ขอตนเองนะไม่ใช่คนอื่นในความคิดก็อยากรู้คนอื่นควาคิดอย่างไรอยากรู้เรื่องคนอื่นคําพูด บอคนนั้นพูดแตด่คน น, นี้พูดเรื่องคนอื่นเขาทางนั้นไม่เกี่ยวกับเราการกระทำคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนน้องเปนน้นเรื่องคนอื่นทั้งนั้นทั้งชีวิตทั้งวันเอาชีวิตไปฝากไว้คนอื่นทําไมไม่ฝากลมหายใจไปคนอื่นบ้างบอกหายใจแทนผมหน่อยสิผมที่เกิดหายใจแล้วผมต่อข้อหายใจไม่หยุดหายใจบ้างสิอหายใจเองได้คิดเองได้พูดและทำเองได้ ถ้าเราอยู่ในกระบวนการการไปเจรจานี่หลาคือการปฏิบัติมันจะไเปเอาหลอรตาอยู่ในถ้มในยุงบนดอยถ้าเราเข้าใจสามเรื่องแคน่นี้อยู่ที่ไหนก็สบายไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนหมายว่าตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคนบุญส่วนคนบาปถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนเป็นพระก็เดือดร้อนเป็นชาวบ้านก็เดือดร้อน เพราะามันร้อนใครไปตากแดดร้อนทางนั้นไม่ว่าคนบุญคนบาปเราไปตากแดดโดมันร้อนหมดเพราะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นใจของเราอยู่ดีๆไม่ชอบเอาไปตากแดดไปทำให้มันร้อนไม่ทำให้มันเย็นขอนะโทษใครเพราะาเราไปตากแดดเองคือจิตออกไปข้างนอกเองไปหาเรื่องมันเองจิตอยู่ข้างในดีๆอยู่ในบ้านดีที่ อยู่ในร่างกายดีๆนะเอาไปตากแดดมันก็ร้อนถทีทำไงถึงจะมยเย็นก็กลับเข้ามาบ้านเข้ามาในศาลาหลาังนี้อย่าไปตากแดดตอนเนี้ยเดินเดินไปตากแดดมันก็ร้อนทเนี่ยคําว่าสติคือนี่คือสติเมื่อรู้ว่าร้อนก็เข้ามาในศาลาก็เย็นแล้วจิตก็เหมือนกันถ้าไปคิดไปปรุงแต่งข้างนอกเอาไปเที่ยวข้างนอกมันร้อนถทีทําไงถึงเย็นกลับมาในบ้าน กมันไดในบ้านก็ร่างกายตัวเรานี้น่ะมันไม่ใช่เรื่องลุงย่ยใหอะเลยเลยแต่เราไม่คิดไปคิดว่าทำไมถึงร้อนทำไมคือคาถามแต่มันไม่มีคาตอบมันจะกลายมีแต่คำถามชีวิตเราจรึงบอกว่าเต็มไปด้วยปัญหาคือเต็มไปด้วยคำถามทำไมเพราะอะไรแต่ไม่มีคาตอบคือไม่ได้คาตอบเลยชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนี้ มีคำถามแต่ไม่มีคำตอบการปฏิบัติธรรมคือคำตอบอันนี้สันส้นๆอย่างการปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบคือคำตอบของชีวิตถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีคําตอบเพราะะฉนั้น ถ, ถ้าใครอยากจะได้คําตอบของชีวิตต้องปฏิบัติปฏิบัติให้รู้เรื่องการนี้เรื่องของมคิดการพูดการกระทําทั้งสามอย่างเรียกว่าการกระทําที่เรียกว่ากรรม ถ้าจะแก้ก็แก้แค่นี้แหละมันต้องไปแก้มากมันไปแก้ทั้งประเทศมันต้องไปแก้ที่ไหนแก้แค่นี้ได้ก็คือแก้กรรมใครจะแก้ได้มากแก้ได้น้อยแล้วแต่สติปัญญาภาวนาความเพียรของใครของท่านอันนี้คือหลักคําว่าหลักแม้จะคือถ้าเราคิดได้ก็เรียกว่ามีหลักคิดถ้าเรากํากับก็พูดได้เกาเรียกว่าหลักพูดถ้าเราทําได้เนี่ยก็เรียกว่าหลักทํา เขาเรีกว่าคนมีหลักหลักคิดหลักพูดเราทําถ้านอกนี้ไม่มีคิดอะไรไปด้วยตัวเองแล้วไม่มีหลักคิดไม่มีหลักครับบภาษาทางการเขาบอกว่าไม่มีหลักการวิชาการเขาว่างนั้นนะคิดไม่มีหลักการพูดไม่มีหลักการทำไม่มีหลักการเมื่อไม่มีหลักการหรือหลักอะไรหลักกูถ้าไม่หลักการก็หลักกูนี่แหละ ก็ถามพวกเราว่าตอนนี้เราใช้หลักการหรือหลักกูนี่เป็นคำถามส่วนคำตอบทุกคนคงรู้อยู่แล้วนำมาฝากธรรมะทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อเป็นแนวเอื้อแนวคึกแนวคิดแนวปฏิบัติชีวิตของเราควจะสุขคือสบายบ้างทุกขาคือไม่ลำบากมากเกินไปใ น, น้ณะเดีวกันจะเาลืกว่ากูจะสอนสอนเรื่องทุกนะไม่ได้สอนเรื่องสุขนะ ไม่งั้นมันจะหลงคือโมหะโดยเฉพาะตัวโมหะตัวที่เห็นยากยากมากๆโลภะเข้าใจโทสะเข้าใจแต่โมหะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอันนี้แหละคือตัวโมหะถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้ก็ใจานี้ไปก็ลงปฏิบัติตอนนี้เป็นชิตสติเหมือนข้าวปลาอาหารนี่หลังกำลังรออยู่บนถ้วยบนใจอยู่บนบาทตอนนี้ตอนนี้ยังยังไม่อิปนอะไร อันนี้คือธรรมะที่แสดงเมื่อหยิบจากบาตหยิบจากถ้วยเอาเข้าปากเร็วกินกเร็วปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วเอาไปวางบนลี้นเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบไม่ชอบเราเท่านั้นที่จะรู้เรื่อปัจจิตตังนั่นคือผลของการปฏิบัติมันได้แน่นอนถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องไปถามว่ายิ่เข้าปากมันเปรี้ยวเป็นยังไงมันหวานเป็นยังไงมันเค็มเป็นยังไง ไม่ต้องไปถามคนอื่นว่านั่นมีคําตอบอยู่แล้วการปฏิบัติเป็นอย่างนี้มันมีประจัิต่างเฉพาะใครเฉพาะท่านเราวก็ต้องไปถามว่ามันเปรี้ยวยังไงหวานเป็นยังไงถ้าเราปฏิบัติดังหรือมีผลของการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ะถ้าอย่างนี้ก็จะอยู่ตัวไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราทําได้จะเราเข้าใจระบบระเ บ, บีย บ, บปฏิการเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ได้หมดเจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนจนมากเกินไป วันนี้เขาขอเวทนาที่พวกเราทั้งหลา ย, ย น, น้อมขับไลาอาหารมาขับไลาอาหารก็คือธรรมะนะถ้าบอกเป็นธรรมะอย่าไปคิดแต่ว่ากินเข้าไปเพื่อบําบัดมันกินเวทนาท่านเองวันหนึ่งก็สามมือ้อเราพวกเราพระดเดียวตังกับมื้อเดียวบ้างสองมื้อบ้างแต่มันก็ทําหน้าที่บําบัดเวทนาท่านเองเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้แต่ธรรมะเนี่ยมันเป็นอาหารของใจนะ เราไม่กินมันเลยวันหนึ่งแทบไม่กินเลยแล้วใจมันจะมีอาหารไหมเอาง่ายๆถ้าว่าร่างกายครูบาอาจารย์ถึงนักโยมบอกลองอดข้าวปลาอาหารดูนี่เป็นยังไงร่างกายจะอยู่ยังไงทุกข์ขับจะเห็นทุกข์มากขึ้นชัดขึ้นถ้าที่บ่สอนเลยลองอดอาหารดูม้างผอนอาหารดูม้างสอมื้อสามื้อ็บางท่านบางรูปเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนจะเห็นเวลาชาติเอง แต่ท่านก็บอกว่ า, วาแต่มันไม่ใช่ทางพนะุทธนะทําเพื่อให้รู้ว่าเออเวทนาเป็นอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าเออนี้อาหารกายกับอาหารใจวันหนึ่งมันต้องได้มากน้นอยยังไงมันก็จะต้องได้ถ้าไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนร่างกายจิตใจเหมือนกันเพปัะนั้นร่างกายกับจใ จ, ใจต้องแก้ไขพร้อมกันอย่าไปแก้จิกายอย่างเดียวเพราะความทนากับปลานงานที่เราทั้งหลายได้น้อมนั้นในวันนี้ แนะนำกระสรงก็ขออุโมงธนาที่เป็นปรับรุงธาตุขันดูแลอคนะุคกรณะที่สำกันก็คือเป็นของเรานั่นแหละนี่คือบุญนี่คือกุศลนี่คือต้นทุนที่เราจะไปข้านาไม่มีอย่างอื่นเลยคือบุญกับกุศลท่า น, นั้นอ่ะผู้งานก็บุญกับบาบนี่แหละใครจะได้ไปมากกว่ากันก็ไปตามนั้นก็ขอออกมาอีกครั้ง